เราก็ให้สติเขาว่ามันเป็นเรื่องที่เราไปบังคับไม่ได้มันไม่ให้ตัวเราไม่ให้ของเราสิ่งที่เราบังคับได้ก็คือใจของเราเราทำใจเราให้สบายกินมาเป็นการทำยินให้ทานไปเราก็มีความสุขไม่คิดสตว่ามันเึงเวลาที่เขาต้องจากเราไปเขาจะจากไปแาบไหนก็จากไปเหมือนกัน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 เาอยากจะให้เขาไปเนี่ยถ้าเขาไปมาเมื่อไหรเราก็ดีใจแต่ถ้าเรายังไม่อยากให้าไปแล้วเข้าไปเราก็เสียใจปัญหามันก็อยู่ที่เราคือเขาต้องไปแน่ๆเน้นเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจของเราให้ให้ให้ใหเป็นได้ทั้งสองแบบขณะที่อยู่ก็อยากให้เขาอยู่พขณะที่เข้าไปเราก็ต้องคิดใจของเราวาเออไปก็ดี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 เราไม่รู้ว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเว ER ลาเปลี่ยนเร็วบ้างเปลี่ยนช้าบ้างเปลี่ยนน้อยบ้างเ ป, เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนมากบ้างแต่การเปลี่ยนแปลงนี้มีเรื่อยๆนถ้าเราคอยที่นี่มันก็เปลี่ยนแปลงเลยเมื่อเดียเสียง ก, ก็เข้ามา <c oughs> มันมีนนมนเงเงียบมาเดียวก็มีเสียงเข้ามา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 พ่าทำให้ความอยากนี้เจริญเติบโตมีกำลังมากขึ้นยากต่อการที่จะปราบมันที่จะกำจัดมันดังเราต้องใช้ควา ม, มน้อยควา ม, มน้อยก็คือเอาเท่าที่จำเป็นเท่าที่พอดีเชือผ้าอย่างของผ้านี่บางรูปท่านก็ถือแค่ผ้าสามผืน ม, มีผ้าห่มผืนเรียวผ้าจีวรตอนนุ่งก็ผ้าสบง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 ท่านไม่นอนท่านนั่งมาตลอดคืนการทั้งที่เขาก็อยากจะถวายซื้อตู้นอนให้ท่านนั่งแต่ท่านไม่นั่งท่านก็จะท่านไม่นั่งอย่างนั้ ง, งท่านเพราะมันมั น, ม, นมันทำให้จิตใจเราเข้มแข็งแล้วก็ทาให้เราทำให้กิเลสมันมันอ่อนมันจะไม่มาสร้างความวุ่นวายใจให้กับเรา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 บ้านเรานี้ถ้าเผลอๆเดียวก็โดนเขามายึดไปได้นะถ้าฟันไม่หมนบ้านไม่ใของเราเราเรายืมเงินเข้ามาสร้างยืเงินเข้ามาซื้อพอเราไม่มีเงินจ่ายเขาเขาก็มายึดมือไปรถก็เหมือนกันอะไรต่างๆก็เหมือนกันถ้าเราคอยเตือนใจเราอย่าลืมว่าไม่ใของเรามันจะไปจากเราเมื่อไหร่เราก็พร้อมเมื่อไไปเราก็ไม่เกือดร้อน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 ยือยืดให้พวกเราแล้วเนี่ยแต่พวกเราจะเอาหรือไม่ก็ต้องเอาไปคิดดูกันถ้าจะเอาก็ต้องศรัททุกสิ่งทุกอย่างที่มีแต่ยังเสียดายยังเสียดายคนนั้นคนนี้อยู่สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ก็ยังเอาไปไม่ได้จะโทษใครก็ไม่อย่าไปโทษใครโทษตัวเราเองะ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 ได้อริยทรัพย์นี่โลกียทรัพย์นี่มันเหมือนกับเหมือนกับก้อนอีกก้อนเกิดไม่ใช่เป็นเท็จมุนจินดาเท็จมุนจินดานี้คืออริยทรัพย์นี่คือความสงบสุขของจิตใจอันนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเ้า่อนโลบที่สุดแต่การอย่าคารวะถูกหัวยแค่สองตัวนี่ก็ดีใจก็าตาย <c oughs>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 ที่รูเคยนั่งนั่งลงแล้วท่านยืนอยู่ท่านบอกว่าท่านยืนแสดงทําท่านรู้ไม่ได้แต่ในในเชิงปฏิบัติรู้สึกว่า<ม>ก็ก็ทํากันอยู่เราเป็นธรรมเนียมของคนไทยเราได้เได้ทําไปเวลาคร<ม>ูบ า, ายอาจารย์นยู่เราจะนั่งเวลาท่านพูดนี้ท่านก็แสดงทําแล้วล่ะใช่ไหนะมเพราะฉะนั้นในพาวิน<ม>ัยบางข้อนี้ก็ในเชิงปฏิบัตินี้อาจจะ อาจจะอาจจะมีการเปลี่ยนไปไปตาม <น ious S 1> ตามการล่าสมัยตามนขนับธรทมเนียมป hey. <ต>ระเพณีแต่เวลาประเคนของเนี่ยท่านจะไม่ยืนรับนะท่านจะนั่งเหอนะถ้าถ้าเป็นไปได้โดย <timeline S 1> มาญาติแต่ในบางกรณีถ้ามันนั่งไม่ได้ต้องยืนรับก็ยืนรับได้รับนคือเรื่องทั้ง okay. เรืไไ่องก็คือให้มันสวยงาม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 พอมันเป็นแล้วถึงเวล า, ารเราก็จะได้ทำได้ทันทีไม่เจอเหมือนกับทหารถ้าเขาซ้ำลบอยู่เรื่อยว่า้าศึกษัตรบุกเข้ามาเมื่อไหร่เขาก็เขาก็สามารถปฏิบัติว่าที่ได้มันทีไม่ใช่มานั่งถามไม่ทำอะไรกันไหม <c oughs> ปืนอยู่ที่ไหนเ <c oughs> นี่ยปืนของเราก็คือสติปัญญาเนี่ยที่เราต้องคอยเจริญอยู่เรื่อยมันึงบอกให้ต้องไปเจรณาอยู่เนือง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 เมื่อมีปัญญาอย่างนี้เวลาเส้เวลาตายไปท่านก็เลือกเอาสุคติได้แต่ถ้าเป็นปุตุชนนี้เลือกไม่ได้ถึงแม้จะได้ฌานแต่ถ้าได้ฌานถึงเวลาเสียชีวิตไปก็จะไปไปสู่ไปสู่ช่นชานฌานทันทีเพราะพวกนี้เขาสามารถทําทําจิตให้สงบได้ในขณะที่เขาตายไปก่อนตอนก่อนที่เขาตายไปเช่นพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้าสองลูป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 เป็นพอเวลาจะตายปั๊บกํกำหนดจิตให้สงบนิ่งให้อยู่ในสมาธิมันก็จะไปในระดับนั้นสมบรณที่ถ้าถึงตอนช่วงมันตายถ้าเกิดมีาอาการเจ็บปวดเป็นทนไม่ไหวอ่นี้นะ ล, นนล้วลอง่องุดโถคอไปเรื่อยๆอย่างนั้นไไ <c oughs> ต้องลองตอนนี้ดูอนงให้มันเด้วรควันะนก็ดต้องลองต้องลองทาตอนนี้ดูเน่ยต <c oughs> อนนั่งนั่งให้มันเจ็บปวดแล้วเราคึดโถดูว่ามันจะนิ่งไหม <c oughs> แต่ถ้านิ่งได้ก็ใช้ได้ <c oughs>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 มันอยู่ที่อยู่ที่ว่าเราชอบไม่ชอบเพราะฉะนั้นวิธีเสริก็คือหัดชอบในสิ่งที่เราไม่ชอ บ, ชอบแล้วก็อย่าไปชอบในสิ่งที่เราชอบใน mm hmm. สิ่งที่เราชอบก็อย่าไปอย่าไปอย่าไปอย่าไปหามันนอกจากมันมาเองก็ไม่เป็นไรแต่เราอย่าไปแสวงหามันเวลาจะกินอาหารก็เลือกอาหารที่เราไม่ชอบกิน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 แไปอยูนวัดที่ไม่มีห้องแอร์ไม่มีพัดลมไม่มีพูกไม่มีน้ําประปาไม่มีห้องน้ําในกุฏิต้องไปใช้ห้องน้ำข้างนอกหรือว่าต้องไปใช้น้ําที่บ่ออยู่แบบยากลำบากมากอย่ า, <c oughs> าแต่สดแต่สบายเพราะว่ามันจะเป็นกับดักของกิเลส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 ที่ยากลำบากเพราะมันจะเป็นการบังคับให้เกิดมีสติขึ้นมาจะอยู่การป่าเวลาเดินไปไหนมันจะเดินเออเรหยื่อลอยลมไม่ได้จมันจะมองอยู่ที่ข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาว่ามีสัตว์มีวยค้างมีอะไรหรือเปล่ามันก็เป็นการฝึกสติขึ้นมา ถ้าอยู่ที่ไหนปลอดภัยนี่เวลาเดินไปบาทีเดินไปสองคนคุยกันไปเทินเลยไม่ได้มองข้างหน้าเลยว่าจะมีอะไรจะปัะเวลานั่งภาวนาแล้วจิตตกระวังกับจิตเป็นสมาธินี่ต่างกันตรงที่มีผู้รู้หรือเปล่าใช่ไ<น><น>มันอันเดียวกันอะสมาธิกับรวังกัดีวันอนเดียวกัน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 มีอยู่ครบลอยถ้าข้เครืแล้วก็ลูกอ่ันอนั้นหลับแต่ข้องเรื่อทเครื่อนี่มันก็บอกนล้วมีความสุขจังมันหายเงียบไปมันหายเงียบไปทีเวลาฟังฟังท่านจันเทศเนี่ยทสมาธิบางทีไม่ได้ยินเสียงพี่ท่านจันเทศอันนั้นเป็นพลังใช่เพราะว่าเดินอยู่ภายในอ๋อไม่เหรอเป็นเป็นเพราะว่าจิตของเราเข้าข้างในแล้วเราไม่เราไม่รับฟังเสียงไม่รเสียง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 มันก็เลยทำให้บังคับให้เราต้องภานาะอยู่เรื่อยๆนั่งสมาธิเรื่อยๆจ ง, งกลมควบคุมจิตใจอยู่เรื่อยๆการปฏิบัติมันก็ขึ้นหน้าไปอย่างรวดเร็วท่านอาจารย์ใช้วิธีอดอาหารหรืออดนอนค่หรัท่านอาจารย์อดอาหารนอนก็นอนตามปกติตื่นก็สีห้าชั่วโมงเป็นปกตินอาจารย์งานสุดกี่วันค่ะไม่ไดไ้ไม่ได้ม่ได้นังใจจะเอาสิศรินะี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 ที่อดยาวๆขนาดนั้นมทีพาท่านโดยเินสบายกับมาได้นมกล่องแล้วก็เอาไปฝากยาดยมีบงมีแบรนอะไรเี้นี่ตอนบ่ายก็สารชงน้ำพึ้งช็ากโล็อกช็ากโ ก, ล ก, กแลตนี้มันก็ทาอยู่เดือนเดือนนี้มันก็อยู่ได้ ม, มีของกินของเคี้ยวแต่หลัขกของการภาวนาไม่งานออาหารนี้ไม่ให้ประยึ์จำนวนวันเป็นหละ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 แต่ไม่ได้สธิติ <c oughs> ถ้าไปแข่งโอลิมปิกก็อาจจะได้เหรียญทองแล้วเข้าอาจารย์เคดีไหคะฮะอไม่เยเคยอาจารย์เคยที่มาอยู่วัดยาม น, นี่ใหม่ๆเคยตอนช่วงวันที่เข า, เาวันวันวิสามกาวันๆๆวันมาค้านี้เขาจะมีส่วนมวนต์รัแสดงธรรมเทศนาสลับกันจนถึงตีสามก็เคยอยู่ช่วงมาใหม่ๆตอนนั้นหลังยังไม่ค่อยเจ็ดเท่าไหร่ก็ก็เคยอยู่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 แต่มันรู้ึกว่าไม่ไม่ค่อยเกิดประโยชนเท่าไหร่ชั่วเราปฏิบัติของเราตามปกติตาให้มันสม่ําเสมอดีกว่ารู้ก็สังเกตคราวนี้เพราะว่าหลังจากเนรัตชีแล้วเนี่ยมีคราวรู้สึกว่าถ้าเราได้นอนคืนสามชั่วโมงแล้วตื่นสักสองยามตลอดอย่าเงี้ยจะดีกว่าเอถ้าเรามาอยู่ทั้งคืนตอนช่วงหลังเรนจะเตื่อนิดนึงมันอาจจะเหมาะกับคนบางคนเนื้อารบางคนไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นเหมือนกันทุกคน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 ทุกวัาพระหรือทุกคื น, นี่ก็ต้องลงมาปฏิบัติกันครบาอาจารย์ท่านก็มีมีมี ม, ม, มีมีส่วนในการที่จะชักจูงแต่ละองค์ท่านก็ ม, มีมีอุบายแต่ละองค์ที่ไม่เหมือนกันใ น, นเวล า, า, วาที่ไปแสวงหาครูบาอาจารย์บางทีเราก็อาจจะไม่ถูกกับพระอาจารย์รูปนี้อาจจะถูกกับพระอาจารย์รูปหนึ่ง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 พอเราจะตากกรวันของผู้ที่อื่นครับหนึ่งวันมันก็เป็นสิบสี่แล้วคะเพราะว่า1ิบสียังไม่ออกพนรษาเขาเรียกวันวันปวานาวันสิบห้าคำาช่ไหมคัาจเอายุิสิบห้าคำเป็นหลักแล้วกันตักตักวันสิบห้าคำคือคสิบสี่ส่็นไหเหอนี่สิบสี่ใช4ตั้สิบสี่สิสี่านตักกิมมงค่ะธรรมดาถ้าถ้าจะลงถ้าจะขึ้นไปรวมกันที่บนเขาพระพุทธบาทจะเริ่ม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 ไม่หมายถึงว่าบางทีเราก็อาวางถือมีโต๊ะเอามาสร้างถนนอะไรอย่างเงี้ยบางท่นาก็เปิดเปิดตู้เปิดรถของท้าแล้วก็หยิดจากภายในอนมาใส่กระดของแห้งเบาๆนจะของกระป๋องหมดองแห้งก็จะพ่อจะใส่บาทก็พวกของแห้งอย่างเง้แล้วก็ก็มีซี่นี่เขาจะมีเ่าจะข้าตมมัด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 หน้าตำหิติเตียนก็นดีขอให้ท่านได้สวดโจนาว่ากาลทักเตียนพระพเจ้าด้วยนี่คือความแปลทุกองค์จะต้องการแต่ส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นพิธีกรรมไมากกว่าว่ากาวแล้วพระรูปในกับวัฏสาทุไม่มีไม่มีว่ากาวหนละังเีไม่มีแต่โดย <c oughs> โดยหลักก็เพื่อให้รู้ว่าทุกรูปที่เราบวชเนี่ย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 ทำอย่างนี้ไม่ได้นะท่านทำอย่างนี้ไม่ถูกนะพูดเลยไม่ต้องเกรงใจกันถ้าบางรูปรับไม่ได้เขาก็เตรมบาทออกไป <c oughs> ไม่ได้อาจารย์คบเวลามีงานบุญแล้วรถติดที่ละแล้วไม่ได้ไปร่วม ง, งานแต่ว่าได้ฝากได้การได้ยีนไ่จะเท่ากันก็ได้เก้าสิบเก้าก็ไม่ได้เพราะว่าเราตัวเราไม่ได้ไป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 เนื่องจากว่าบุญส่วนนั้นสาคัญกว่าเป็นอย่างนี้แต่ถ้าไม่ใช้ปัญญานี่ใจจะพวองว่าโอ้เราไม่ได้ไปทำํทำบุญสำคัญถ้านัภาวานาแล้วมันต้องแยกตวเองว่างานทาง น, นี่มันยากกว่างานภาวานาเงี้ยงานทางนี่ก็เหมือนกับงานใช้ขวานใช้มีด่งานภาวานานี่กําลังใช้ใ ช, ใช้ใช้ ก, กบละใช้กบใช้ใช้อะไรใช้กระดาษทรายละงานละเอียดละถ้ามาเอาเอา เอาเอาจอบเอาเอามีดเอาขวานมามาทํางานมันก็เสียหมดพอเราพอภาวนาอยู่พอเรามาทําทานปั๊บใจเราก็ฟุ้งขึ้นมาทันที <c oughs> เพราะมันจะต้องมาเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้เห็นสิน่งนั้นสิ่งนี้จิตใจมันก็ปรุงแต่งขึ้นมา <c oughs> อุตส่าห์พยายามทํากิตให้สงบแทเป็นแทบตายพอออกมาวันเดียวกลับไปมือหงายหายไปหมดเลยความสงบน่นเหมือนกับกฐินไหมจ๊ะเหมือนกันกฐินก็เป็นทางเหมือนกัน กระถิ่นผ้ป่า ame, งานบุญงานอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนเยอะๆเนี่ยเป็นส่วนใหญ่จะอยู่ในในขั้นทานทั้งนั้นทำได้เราทำได้โดยที่เรามีมีเราฝากปัจจัยกาินใายไปเข้าไปก็ได้หรือส่งไปก่อนก็ได้ค่ะ<ม>ทำสังฆท า, านเนี่ยกับกระถิ่นาาีรือผาป่าหรืาเทียมอะไรไหมคะ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 จริแต่ว่าสิ่งที่เราไปถวายนี่จะถวายในรูปแบบใดนั้นะมันขึ้นอยู่กับความจําเป็นเช่นถ้าแตงซีฟันมันเยอะแล้วยาวีฟันมันเยอะแล้วใจมันขาดสบู่เนี่ยเราก็ถวายสบู่อย่างเดียวเนี้่ก็ได้มันก็อันนี้เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาพคุยณาดูความเหมาะสมว่าสิ่งที่เราจะไปให้เขาเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาจําเป็นอะไร อย่าไปให้ซ้ำซซากซากเขาว่าถวายผ้าไตายดีก็ผ้าไตายถวายกันทุกคนเลยเงินมันล้นตู้ล้นสาราเลยมันใช้เหตุผลแต่ด้วยหลักใหญ่ก็คือการทำทานนี้ประโยชน์กับเราก็คือเพื่อปล่อยวางอย่างที่มันไม่ให้เรายึดติดไม่ให้เราห่วงไม่ให้เราไปห่วงไม่ให้ไปกังวลกับสมบัติที่มันไม่มีความจาเป็นกับเรา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 เขียนทวรสอบไปบอกลูกว่านี่แม่กินอาหารแทนลูกแล้วไม่หิวจะตายเาชกินอาหารไททั้งน้ไม่มีอาหารทยองไม่แตวม่เด็กถ้าบอกเขาอนุโมทนาที่สินงทบอขาจะอนุโมทนาเขาจะได้เขาจะได้ส่วนที่เป็นอนุโมทนาคืใจเขาไม่ไม่ตะกี้จะของใจไม่เสียดายคือบางทีบางคนเสียดายเงินทางทางคนอื่นเข้าไง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 รับสมบัติส่วนของเหล่านี้ให้กับผูดอืนไปไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรก็ได้ไม่ต้องมีพระมาสวดอันโมทนาให้ก็ได้ขพรเหล่านี้มันเป็นผักชีโรยหน้าครัอาจารย์ครับถ้าอย่างไงกรณีที่ญาตแต่หมอรักษาเงินเขาไปทาบุญใช่ไหับหอพูดไปี่ไปทาบุญแต่ก็จะได้บุญปรมาณเก้าเกาเปอร์เซนใช่ไหมแต่ถ้าเราขาดลงไปก่อนเรายังไม่จ่ช่หรับไ่จ่ยไม่ด้จ่ปวันอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้บ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 จะใช้วิธีการทำบุญในการนั่งภาวนาแทนนี่ก็จะดีกว่า <ปะ S 1> ใช่ไหมครับตอนั้นเป็นบุญเ อ, ก, อ, ก, อ, ก, อกแบบนก็คือส่วนของด้านภาวนาแต่ไม่เป็นส่วนของทางของ น, ขอนเขาก็จะทำได้เฉพาะศีลกับภาวนาแต่ทานก็ไม่ได้ได้ก็ใครขอทานก็ได้ให้ให้ให้สภากาชาติที่สหรัฐ ก, ก็ได้ให้ช่วยเหลือองค์กรการกุศลที่เขาทำประโยชน์ให้กับผู้หญิงก็ได้ เนะ ข, า ก, ขาก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้หา่างจากศาสนาถูกไหมคะอ๋อไม่เหรอเราก็ได้ทําต่อเ น, นื่องอยู่ศาสนาเราก็ไม่ได้แค่ว่าจะต้องทําแต่เฉพาะศาสนาเรานนะคือให้ทํากับศาสนาเพราะเพื่อเราจะได้มีศาสนายอยู่เป็นคู่คู่ครองกับเราไปแต่ถ้าเมื่อศาสนาอยู่ได้แล้วเร า, เร า, เรามีส่วนเกินเราจะไปช่วยศาสนาอื่นก็ได้ช่วยคนอื่นก็ได้เพราะในบางประเทศก็ไม่มีวัดไทยอะไรอย่างนี้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 บอกให้เขาเอาเครื่องชายกับอาหารเขาก็เอ็นทวายไปแต่เขาก็มีความรู้สึกเข้ามขาดเอกระองเหลืองคือว่ายังรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นสังกัาเพราะวันที่พายด้านคือคือเขาเกิดอุิเหต์ก่อนคือช่วงวันเกิดเ้าเนี่ยเขาหาวัดไม่ได้ยังไม่ได้ทำสังรัชาแล้วปรากฏว่ารถบรรทุกคนมาชมรถเขาเตมตัวเขาไม่เป็นไรเขาต้องมีความรู้สึกไม่สบายใจเขาจะต้องไปทสังกัชาให้ได้แล้วก็ไม่มีกระฟององเลยคิดว่าอย่างนั้นนะ พ็เขาได้ถูกปกลูกฝังมาว่าสังก <c oughs> ทางก็คือ <c oughs> ของเอก็ได้แล้วนะคะของถวายนี่จะเป็นอะไรก็ได้ที่มันไม่ <c oughs> ที่ไม่ไม่ใช่เป็นพษิษเป็นภัยเช่นเป็นสุรายามงังหรือเป็นของอะไรต่างๆที่ไม่ไม่เหมาะกับสมมนาเพศ<า> <c oughs> ก็ถวายได้มดแล้ววันไปทำเดี๋ยวมีสองกลุ่มที่มาเนี่ยนะกลุ่มหนึงมาทํางานการศ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 เอวเมวะเอโตจินางเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเปเมวะสมิจสตุสภเพปุรนตุจังกะปาจันทูปนะรโสยถามนิโจติระโสยถาสพีติโยวิวัจจัตุสภโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโสุขีทีขาโยภะวะ อาภีวะธนะสลิกสะมิจจังมุท่าปจายโนจัตารโอธรมาวทานติอายุวันโนสุขังภาลั